พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9กมกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าเจดีหลวงตาเป็นหน้าที่ของสิทธิ์วันนี้เป็นวันที่9 ม ก, กราคมพุทธศักราช 2,560 ปีนี้พวกเราก็ได้เป็นที่ทราบกันศูนย์เสียร่มโพร่มไซของพวกเราคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในบรม โ, มโกรสวรรสวรรคารายเมื่อวันที่13ตุลา59แต่มาถึงคราวนี้ก็พวกเราก็ คงจะรู้แล้วว่าประสบในกรที่รักเคารพในพระองค์ท่านมากมายแค่ไหนมาถวายถวายความเคารพสักการะไม่เคยขาดสายเลยนี่แหละการสร้างคุณงามความดี เ, เราได้ยินแต่สิงคโปร์ที่ผู้นำของเขาเได้มรณะลงไปประชาชนให้ความเคารพ ในไปคารวะศพยาวเป็นกิโลถ้ามาเปรียบเทียบกับในหลวงของเราดูที่ว่า เ, เกือบจะว่าไม่มีท่านผู้ใดในอาเซียนของเราหรือว่าในโลกของเราที่จะประสบนนกรจะให้ความเคารพเหมือนกับในหลวง พวกเราเปรียบเทียบดูก็แล้วกันเพอ ท, ทุกโลกทุกวันนี้โลกยูทูปโลกจูเซียน อ, อะไรมันมีมากมายมองเห็นได้แต่ถึงยังไงก็ตามเป็นหน้าภาคภูมิใจที่พระ อ, องค์ท่านได้ทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตามประวัติของท่านแต่ลุงพ่อหน้าเสียดาย เ, าเมื่อพระ อ, องค์ยังชงพระชนอยู่ เ, เกียรติประวัติเหล่านี้ไม่ไม่ตีแผ่ไม่ขยายจนพระองค์ได้สวรรค์คารายไปแล้วจึงประวัติของพระองค์ท่านจึงได้ออกมาเป็นที่กว้างขวางเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนาบางเสียงบางอย่างพวกเราไม่เคยรู้เลยแต่เมื่อพระองค์สวรรค์คารายไปแล้วนี่อันนี้แหละเป็นเกียรติเรียว่าเป็นประวัติ ของชาติไทยไม่ใช่ประวัติของพระองค์ท่านนะเป็นประวัติของชาติไทยนหลวงพ่อเองเป็นพระป่าพระดงหลวงพ่ อ, อยังคิดอยู่ว่านี่ใพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเมื่อท่านสวรรค์คารายไปแล้วก็จริงแต่เกียรติประวัติของท่านควรคู่อยู่ควรคู่อยู่กับเมืองไทยควรจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ พ, พ, พ, พ, พิพิธภัณฑ์ประวัติของพระ อ, องค์ท่าน เมื่อลูกหลานของพวกเราต่อไปผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อเขาไปอ่านประวัติของพระองค์ท่านผู้มีอุปนิสัยที่จะเดินตามแนวแถวของออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ยึดแนวปฏิปทาว่าการสงเคราะห์เรื่อาการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่อาการดูแลคนยากจนการช่วยเหลือคนในชาติทำยังไง แปลว่าครบถ้วนบริบูรณ์ในพระองค์ท่านที่ท่านกับทำกับพระราชชนนีท่านทำยังไงท่านรักเคารพยังไงนี่แหละจะเป็นตัวอย่างของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าอันนี้คือรประวัติของอพระองค์ท่านที่ทำทำประโยชน์ทำพระคุณต่อประเทศชาติอันนี้ก็คือทางฝ่ายทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายโลก ทั้งฝ่ายธรรมะอย่างฝ่ายพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกันในยุคนี้สมัยนี้ทั้งฝ่ายพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นกลุ่มภาคกรรมฐา น, นทั้งฝ่ายปริยัติธรรมก็คือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ก็ใช่ย่อยที่ท่านทําคุณอุปการให้กับพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาของท่านอบรมประชาชนพี่น้องประชาชนมากมายทีเดียวอันนี้องค์นี้ก็ควรจะมีประวัติ ของท่านควรจะมีแผ่นประวัติของท่านเป็นศีลายจารึกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนให้คนได้เข้ามาศึกษาแต่ส่วนฝ่ายพระกรรมฐานอย่างพวกอาตมาภาพมองไม่เห็นองค์ไหนที่จะเหนือกว่าองค์หลวงตามหาบัวในยุคปัจจุบันท่านพร้อมหมดทุกอย่างทั้งปริยัติท่านก็ได้ทั้งปฏิบัติท่านก็ได้ทั้งโลกท่านก็ได้ทำท่านก็ได้ แปลว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ในประวิตในประวัติขององค์หลวงตามหาบัวเพราะนั้นขณะนี้กำลังจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของท่านแต่บางคนบางท่านก็บอกว่าหลวงตาไม่ให้สร้างแต่ตามไม่จริงเราคิดสั้นเกินไปพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อเราตถาคตปรินิพานไปแล้วให้พวกเธอท่านทั้งหลายสร้างจะดีนะพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้กล่าวแล้วก็พระอานนท์เา เข้าไปกราบภูนถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ประสินธิพันธ์แล้วจรีระของพระองค์จะจัดการอย่างไรหนอพระเจ้าค่ะอย่าอย่าเลยอานนจรีละของเราเป็นหน้าที่ของอุบาสกเป็นหน้าที่ของกษัตริย์พวกพวกเธอทั้งหลายให้เผากิเลสภาวนาำชำระกิเลสภายในใจเท่านั้นละ่ะไม่อย่ามายุง่งเรื่องจรีละของตถ า, าคตเป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมือง พระอนอนท์ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าจริงอยู่เ อ, อว่าเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองแต่ถ้าหาว่าฝ่ายบ้านเมืองเขาถามว่าออสิรีละของพระองค์ท่านเนี่ยจะให้พวกผมทํำยังไงพระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะตอบเขาว่าอย่างไงเออใช่ให้ทําปฏิบัติตามแถวแนวแถวพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้หลวงพ่อจะไม่อธิบายต่อถ้าพวกเราอยากจะรู้ปฏิบัติยจงไงในศรีละ ให้พวกเราไปศึกษาในจุดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามมาถึงหลวงตามหาปัวก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราตายไปแล้วให้สร้างจีดีใหญ่ๆนะให้ทำพิพิธภัณฑ์นะหลวงตาก็ไม่ได้สั่งอีกเหมือนกันถ้าจะว่าไปแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราที่รู้จักคุณอุปการต่อผู้มีอุปกรารคุณอย่างพระพุทธเจ้าของเราถ้าหากว่าไม่สร้างที่ประสูตร ไม่ปักหลักที่ประสูตรตัดสรุ้แสดงธรรมจักและปรินิพานและพวกเราจะรู้ไหมว่าที่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุปปรินิพานนั่นอยู่ตรงไหนตั้งสองพันก่อนปีแต่เดี๋ยวนี้มีหลักศีลายจาลึกขึ้นมาเราว่าดีไหมดีไหมถ้าพวกมีปัญญาทั้งหลายก็ตรงว่าดีถ้าว่าพวกที่ไม่มีปัญญาพวก อ, อ, อีกแบบหนึ่งก็ไม่ดี อไม่ดีเพราะอะไรเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาแต่ผู้ดีพ่อ ด, ดีก็มีต้องมีเหตุผลนี้ก็เหมือนกับถ้าองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยถ้าเราไม่สร้างเสนาจนะไม่สร้างท้าวววัตถุไว้ในวัดป่าบ้านตาไปสร้างไว้ในที่อื่นต่อไปมันหมกหมดยุคของพวกเราแล้วใครจะรู้จักว่าตรงนี้นะ่ะเออเป็นที่เอวัดของหลวงตามหาบัวเป็น พระ ม, ม, มหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ทําคุณูปการให้กับโลกให้กับประเทศชาติก็ล้อยลอลงไปเรื่อยๆถ้าว่ามีพิพิธภัณฑ์สถานที่เคารพมีพระเจดีย์ขึ้นมาจะไม่ดีกว่าเหรอนี่แหละอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับองค์หลวงตาถึงแต่องค์หลวงตาเราก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรอกออแต่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ในธรําคำความบริสุทธิ์นั้นองหลวงตาก็บอกว่าพขาพูดใ้เจ้าบริสุทธิ์อย่างไรองค์หลวงตาบริสุทธิ์อย่างนั้นทางด้านจิตใจแต่เรื่องอย่างอื่นท่านไม่ได้เปรียบเทียบแต่ความบริสุทธิ์คือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั้นท่านบอกว่าท่านไม่มีแล้ท่านจะไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นอนันตาการอันนี้คือองค์หลวงตาท่านก็ยืนยัดยืนยันอย่างนั้นแต่ถึ้งยังไงก็ตามพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลาย ก็ไม่สามารถที่จะยั่งรู้ในจุดนั้นได้แต่เอาเถอะเราก็ต้องเชื่อในแนวปฏิปทาของท่านท่านเป็นธรรมการพูดเป็นธรรมการแสดงออกเป็นธรรมการสงเคราะห์โลกเป็นธรรมเราดูความเป็นธรรมขององค์หลวงตาที่ท่านแสดงออกกับประเทศชาติบ้านเมืองออสมัยก่อนเมื่อ3า4 0หลวงตาเองท่านก็ไม่เคยที่จะมีการแผลขอไม่เคยมีผ้า ป, ป่าไม่มี ไม่มีซองผ้าป่าเลยละหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้ในสมัยที่องค์ที่หลวงพ่ออยู่องค์หลวงตาถ้ามีการเลี่ยไรขึ้นมาหลวงตาจะดุด่าว่าเกล่าแต่พอหลวงตาออกมาหาทองคําเข้ากลางหลวงประเทศชาติบ้านเมืองในยุคนั้นเราต้องไม่ไม่ต้องบรยายมากรู้แก่ใจทุกคนแต่องค์หลวงตาออกมาช่วยหาทองคําเข้ากลังหลวงจนได้ทองคําถึงสิบสามตันกว่า หมื่นกว่ากิโลแล้วก็ดอนล่าอีกสบล้านกว่าดอลลาร์พวกเราคิดดูสิว่าคนในชาติผู้ใดที่จะเก่งกาจเรียกว่ามีความสามารถเหมือนองหลวงตาแต่บางคนที่พูดอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าใช่เลยสิองหลวงตาไม่ใช่เอาเงินของตัวเองไปหาแผ่หาขอเงินของค น, อ, งคนอื่นมาทาถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ถูก แต่เราถามย้อนใ้เสียว่าไอ้คนที่พูดอย่างนั้นน่ะให้ตัวเองไปหาด้วยซิหาเหมือนหลวงตานี่ได้ไหมก็พูดไม่ออกอีกเหมือนกันพูดต้องพูดได้แต่ว่าการกระทํานั้นต้องมีบุญวาสนาบา ร, รมีต้องมีความอดทนอุตสาหะวิทยาบุญบา ร, รมีเก่าแก่ไปพูดให้ใครฟังก็เป็นที่ยอมรับจากนั้นองค์หลวงตาจึงได้สมบัติมาถึงขนาดนั้นแล้วท่านมอบให้แก่ใคร ถ้มอบให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้มอบไม่ได้ไมให้แก่ผู้ใดใครผู้หนึ่งทุกวันนี้สมัยก่อนนั้นดูสิว่าทองเงินของเราเมันขึ้นสูงขนาดไหนสมัยบ้านเมืองเป็นแบบนัเกือบจะเข้า40บาทต่อนหนึ่งดอลลาร์อยู่แล้วแต่บัดนี้เท่าไหร่ก็ขยับขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็คือทองคําของหลวงตา เ, เข้าไปอยู่ในท้องผักขังเป็นปเป็นเครื่องประกันทําให้ธนบัตรของเรามีคุณค่าขึ้นมา ถ้าจะพูดสรุปแล้วก็คือทำคุณูปการให้กับประเทศชาติยาวนานทีเดียวแล้วท่านมีน้ำใจถึงขนาดไหนท่านบอกว่าเมื่อเราตายลงไปเมื่ อ, อไรเงินที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีของเราให้นำเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำแล้วมาหลอมเป็นทองคำแท่งมอบให้ขงังหลวงเงินของเราที่เราตายไปพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาบริจาคในงานศพของเรา ถึงจะมากน้อยขนาดไหนให้นำเงินเหล่านั้นละ่ะไปซื้อทองคำแล้วมาหลอมแล้วมอบทองคำที่ได้เงินจากในงานศพของเรามอบให้ขังหลวงอย่านำเงินมาใช้ศพของเราร่างกายของเราใช้ฟืนเผาเท่านั้นอย่านำาอย่านเงินมาใช้อันนี้พินัยกรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ที่ลงตาสั่งเสียสุบแล้วเงลงตาเครือสุดท้าย หายใจเครืองจุดท้ายของหลวงตายังคิดถึงประเทศชาติยังคิดถึงพวกเราลูกหลานทั้งหลายทั่วประเทศเพราะนั้นเมื่อลุงตาจากไปแล้วลุงตาจะบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วให้สร้างพระเจดีย์ให้เราใ ห, ให้ใหญ่นะให้เหมาะสมนะจะให้ท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอุบาสกอุบาสิกาที่รักเคารพว่าหลวงตามีคุณูปการให้กับประเทศชาติอย่างไร เป็นหน้าที่ของเราจะแสดงออกซึ่งความเคารพสักกะระมุทิตาสักกะระ เ, เคารพในธรรมคำสอนของท่านจะทํำยังไงจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมในลหลวงพ่อเองข อ, อให้ทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าคณะสัทยาติโยมทุกกลุ่มให้มองถึงพระคุณขององค์หลวงต า, าแต่จะมอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่ง จะมอบให้หลวงพ่อสุดใจที่เป็นเจ้าอาวาสเลียวมอบให้หลวงพ่ออินอที่เป็นที่ที่เป็นผู้พักดันแล้วจะให้ท่านเป็นผู้ดูแลก็ไม่น่าจะถูกเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะลงตาช่วยประเทศชาติอย่างที่อาตมาภาพได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินณนะสถานที่นี้แต่ว่าที่หลวงพ่อพูดไปนี้ก็ ออกไปทางสื่อเสียงทางไกลอีกเหมือนกัน อ, อยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านช่วยกันคิดช่วยกันดูแลเยดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น อ, อย่าได้มีอุปสรรคในการดาเนินงานเพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างที่หลวงอาตมาภาพได้พูดได้กล่าวในเมื่อทาขึ้นมาแล้ว ในจุดนี้เราก็เน้นหนักว่าหลวงตาอยู่ที่ไหนทำอย่างไรประวัติขององค์ท่านแต่หลวงตาหลวงตาได้พูดไหมในเรื่องนี้อาตมาเองกับคณะสงฆ์ได้เข้าไปกราบเรียนถามท่านว่าขอสร้างเจดีขอสร้างเจดีถวายองค์หลวงตาเพราะว่าโยมทางจังหวัดร้อยเอ็ดเขาขออนุญาตเขาได้แล้ว สร้างท่านก็อนุญาตให้สร้างแต่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาติระทั้งโยมจะไม่พูดอะไรเลยเหรอนั่เมื่อลูงตาจากไปแล้วแล้วท่านจะให้สร้างหรือไม่ให้สร้างเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเราไม่ได้ถามท่าน อ, อ, อาตมากคยทาหนังสือเข้าไปกราบเรียนถามท่านต่อคณะสงฆ์พระวัด น, นั่งมีมากท่านบอกไม่ให้ไม่ให้สร้างเพราะเรากําลังหาเงินหาทองคําเข้าคลังหลวงอยู่อย่ามายุง่ง ไม่ต้องเอาไม่เอาเราไม่สร้างให้เราเอันนี้ท่านก็ปฏิเสธเราก็ถอย ห, หลังเออใช่ท่านปฏิเสธพอต่อมาท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าจะสร้างลักษณนะสร้างพระเจดีเราไม่เห็นด้วยเออเพราะว่าคนเข้าไปกราบปลกปลกปลกุปลกเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าสวยงามขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตดีมีแต่เรื่องกิเลสท่านว่านะเออมีแต่เรื่องกิเลสปราถนาเรื่องกิเลส เ, เราไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าสร้างลักษณะพิพิธภัณฑ์นำประวัติของเราเ อ, อ, ออกมาแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อประเทศชาติต่อลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าเราจึงมองเห็นยังมองเห็นคุณค่าในการสร้างพิพิธภัณฑ์อันนี้ท่านก็พูดให้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้น เ, เ, เราจะสร้างแต่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวก็ไม่ได้ท ก็ต้องสร้างพระเจดีคู่ไปด้วยเพราะเจดีนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับโกรธคนที่มอีอยู่ในแผ่นดินใครท่านผู้ใดสมควรแก่โกรธ เ, เราก็รู้ว่าท่านผู้ใดสมควรเข้าโกรธนี่ก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาทว่าถูปารหาบุคคลสี่จำพวกควรจะสร้างสัททูปและเจดีเป็นเครื่องเคารพสักการะบูชาคือพระพุทธเจ้า เ, เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว อธิพัทธา์ของพระเจ้าวควรอยู่ในสถูปและเจดีย์ใหญ่สตูบและเจดีย์พระปจเจกพุทธเจ้าพระหันตรสาวกพระเจ้าจากกักรพัททั้งสท่านสมควรจะสร้างสถูบและเจดีย์เป็นเครื่องเชิดชูบูชาอันนี้ถ้าพวกเราเใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ก็ไปอ่านดูในพระไตรปิฎมีวัตถุปราราหะบุคคลสี่จำพวก ควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์เป็นเครื่องเชิดชูบูชาคือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระหันตะสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิองหลงตานี่คือว่าพร ะ, พระหันตสาวกสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีเพ่งเพื่อให้คู่ขนทั้งหลายได้กราบได้ไวายและลึกถึงบุญคุณของท่านและถึกถึงบุญคุณและตัวเองก็ประกอบคุณงามความดีเคนชุมชนกลุ่มนั้นก็ไปสู่สวรรค์ได้ นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนที่ท่านได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราจะคิดทําอะไรเราไม่ได้ทําแบบชีสัวไม่ได้ทําแบบดันทลังเราไม่ได้ทําแบบเอาใจตัวเองคิดแล้วก็ทําไม่ใช่แต่จะให้ท่านบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วทําเจดีสร้างจิงดีให้ใหญ่กว่าทุกองนะพรอหลงตามหาบัวเราเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนทุกองในยุคธมสมัยนี้ทําคุณประหยัดประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งพุทธศาสนาก็ไม่แพ้ใครต้องทําให้ใหญ่นะ จะให้ทให้ท่านพูดอย่างนั้นเหรอก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายมองดูแล้วท่านมีคุณอุปการให้กับประเทศชาติอย่างไรท่านมีคุณธร ร, ธรรมจริยธรรมอันดีเลิศอย่างไรพวกเราควรจะบูชาพระคุณอามิตรบูชาในจุดนั้นก็คงจะเป็นฉลิเป็นมงคลต่อประเทศชาติ ต่อโลกต่อไปภายภาคหน้านานเท่านานวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวได้หลายแนวความคิดให้กับชั้นปัญญาชนที่ต่อนั่งต่อหน้าตกหลวงพ่อทั้งหลายทั้งปวงนี่หล ะ, ะให้ได้ช่วยกันคิดว่าหลวงพ่อพูดผิดไหมหรือถูกถ้าว่าพูดถูกเป็นไปตามหลักธรรมพีนยไปตามหลักธรรมคำสอนอไปไปตามทวารสูงต่ำเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรม แล้วก็ขอให้พวกเรานำไปคิดนำไปพิจารณาในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้อตอนนี้ไปเจ้าภาพคือคุณสมบัติเฉลิมมุทินันนี่แหละ เ, เจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพหนึ่งเมื่อหลวงตาจากไปท่านก็ได้มอบเงินให้กับถวายทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเพื่อสร้างเจดีย์องค์หลวงตานี่แหละหนึ่งร้ยล้านบาทนะลูกหลานนระครับท า, า, ายญาติโยมนะเออ พวกเราควรจะอนุโมทนาสาธุพร้อมๆกันดังๆสักหน่อยนะเอาสาธุนะสาธุอ่านี่แหละสาธุสาธุอืมนี่แหละเออแต่ว่าทํามันยังขาดเหลือยังไงหลวงพ่อจะพูดอีกรอบหนึ่งเออกับทุกคนนี่แหละเออถ้ามันขาดเหลือยังไงนะหลวงพ่อจะเรียนให้ทราบอีกรอบหนึ่ง เออเร่ข่าวนี่กั น, นี่แหละจะเป็นประโยชน์หลวงพ่อว่ามี เ, าเป็นคนอุปการต่อประเทศชาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะวันนี้ก็ได้คุณชมบัติก็ได้ทําบุญขึ้นบ้านาทําบุญบ้านตามปีหนึ่งหรือว่าปีใหม่ปีใหม่ที่ผ่านม า, าแต่วันนี้ก็เป็นวันที่9กะมกร า, า, าแล้วก็ได้ทําบุญขึ้นบ้านเพื่อเป็นศรีเป็นเมืองคนจึงเชิญ ญาติธรรมที่รักเคารพนับถื อ, อามาได้ร่วมงานทาบุญในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งต่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเน้อ